ดูก่อนพิสูจทั้งหลายเมื่อเป็นเช่นนี้โดยสมัยต่อมาหมู่เนื้อเป็นอันมากก็ถึงความเจริญคับข้างล้นหลามแม้ฉันใดก็กลายเป็นเนื้อเนี่ยเยอะเป็นฟูงใหญ่ไปหมดเลยดูก่อนพิสูจทั้งหลายข้ออุปมานี้ก็ฉนันอันแหล่เรากระทําขึ้นเพื่อจะให้พวกเธอรู้ความหมายของเนื้อความในอุปมานั้นอุปมานี้ก็ไม่ได้ว่าเล่าเรื่องนิทานตลกประกอบอะไรหรอกแต่ต้องการให้รู้จักความหมายที่ประสงค์ ความหมายของคำที่กล่าวไปก็มีอยู่ว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายคําว่าบึงใหญ่เป็นชื่อของตามมคุณห้าบึงใหญ่เนี่ยนะเป็นที่เพลิดเพลินเป็นที่ดื่มดําดื่มกินเป็นตล้วก็เป็นชื่อของรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสที่สบายเนี่ยนะเปรียบเหมือนกับบึงใหญ่เป็นที่แม้ที่เพลิดเพลินกันเหลือเกินเนี่ยนะ คำว่าหมูเนื้อเป็นอันมาก น, นี้ก็เป็นชื่อของหมู่สัตว์สัตว์ก็คือพวกเนื้อทั้งหลายเนี่ยนะโดยธรรมดาจริงก็เหมือนกับพวกนกพวกเนื้อทั้งหลายเลยบสถ์ผู้ปรารถนาความพี่นาฏประสงค์แต่ความไม่เกื้อกูลจํานงแต่ความไม่ปลอดภัยอันนี้เป็นชื่อของมารตัวมารผู้มีบาปอันนี้หมายถึงว่าผู้ที่หวังที่จะให้เราเนี่ยหมกมุ่นอยู่ในชาติชารามรณะตกไปสู่อาบายทุคติวินิบาตพวกนี้ต้องการให้เราเดินเฉพาะตามทางที่ น, นะคือพวกมารผู้มีบาปเนี่ยนะคนที่มีใจประกอบด้วยใจที่เป็นมารมีบาปเขาก็ล่อหมูสัตว์ทั้งหลายให้เพลิดเพลินอยู่ในการมมคุณเขาไม่รู้หรอกว่าการที่ปล่อยให้หมูสัตว์เพลดนะิดเพลินนั้นหลงไหลหมกมุ่นอยู่ในการมคุณนะนะั้นอ่ะจะเป็นเหตุให้ไปสู่อาบายทุกขติวินิบาตแล้วก็นรกนั่นแหละก็ไม่รู้ตัวก็เลยเรียกว่าปรารถนาความทุกข์ปรารถนาโทษปรารถนาพิษภัยให้แก่หมูสัตว์ทั้งหลาย ส่วนทางที่ไม่สะดวกที่มูมานทั้งหลายเปิดเอาไว้ให้ทางนั้นก็คืออะไรเป็นทางที่เป็นมิจฉามรรคอันประกอบไปด้วยองค์แสอนให้เป็นแต่มิจฉาทิฐิปฏิเสธกรรมปฏิเสธผลของกรรมปฏิเสธบุญปฏิเสธบาปปฏิเสธดีปฏิเสธชั่วปฏิเสธปัญญาเรียกว่าปฏิเสธปัญญาเนี่ยนะก็สรนเสริญมิจฉาทิฐินะครับสันเสริญแต่มิจฉาทิฐิสรนเสริญแต่ มิจฉาสังกัปปะเปิดให้คนเจริญมิจฉาทิฏฐิเจริญมิจฉาสังกัปปะเจริญมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตมิจฉาอาชีวะมิจฉาวายามะมิจฉาสติแล้วก็มิจฉาสมาธิเนี่ยนะเสร็จแล้วก็วางเนื้อต่อตัวผู้คือนันที่ราคะคือตัณหาหรือภาวะตัณหาแล้วก็วางนางเนื้อต่อคืออวิชชาวางอวิชชาอาไว้อย่างนี้ อตักถาจึงเปรียบว่าดูก่อนพิ่สู่ทั้งหลายในหน้า232บอกว่าพระศาสดาตรัสแล้วในบทนี้นั่นเป็นชื่อของนันทิราคะเป็นชื่อของอวิชานั่นเที่ยวเพราะสัตว์เหล่านั้นเนี่ยนะก็เรียกว่าถูกอวิชากัตตนานี่มันล่อเนี่ยนะคือสัตว์ผู้ไม่มีญาณเพราะอาวิชาพัวพันอยู่ด้วยนันทิราคะถูกนําเข้าไปสู่รูปารม์ย่อมถูกฆ่าด้วยหอกในวัฏฏทุกเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจะแสดงว่า ทำเนื้อล่อตัวผู้เป็นดุจนั้นที่ราคะทำเนื้อล่อตัวเมียเป็นดุจอวิชาจึงโยูแม้ในเวลาหนึ่งนายพรานเนื้อปกปิดร่างกายด้วยใบไม้เพื่อเนื้อเหล่านั้นเนี่ยนะเราปกปิดตัวเองแล้วก็กําจัดกลิ่นมนุษย์วางเนื้อล่อตัวผู้ในที่หนึ่งปล่อยเนื้อล่อตัวเมียพร้อมกับเชือกแปล ว, ว่ามัดเอาไว้เนี่ยมัดเอาไว้แต่ก็ปล่อยให้มันเดินดุมดุมได้พรางตนถือหอกแล้วก็ยืนอยู่ในที่ใกล้ เนื้อล่อตัวผู้เนื้อล่อตัวเมียก็จะบ่ายหน้าเข้าไปยังที่เที่ยวไปแห่งหมู่เนื้อเนื้อทั้งหลายเห็นเนื้อล่อตัวเมียนั้นก็เลยงเงยหัวดูขึ้นนะ่ะนะฝ่ายเนื้อล่อตัวเมียก็ยืนเงยหัวให้ใครจะว่ามอนอะไรนะลอคิดเอาแล้วกันเนื้อเหล่านั้นก็คิดว่าแม่เนื้อพวกนี้เนี่ยเป็นพวกเดียวกันกับพวกเราก็เลยกินยาบอกสบายแล้วมีสาวงามมามาป้วนเปี้ยนแถวนี้แล้วนะ ฝ่ายเนื้อล่อตัวเมียตัวนั้นก็ทําทีเหมือนกินหญ้าแล้วก็ค่อยเดินเข้าไปหาเหมือนกันขณะที่ค่อยๆไปอย่างว่าส่งภาษานั่นแหละฝ่ายจ่าฝูงที่อยู่ในป่าเนี่ยนะหัวหน้าฝูงเนื้อเนี่ยก็ได้กลิ่นเนื้อล่อตัวเมียนั้นเข้าก็ละฝูงของตนไม่สนใจและสนมกำนันเนี่ยนะมุ่งหน้าไปหาเนื้อล่อตัวเมียเขาบอกว่าจริงอยู่สิ่งใหม่ๆนั่นเทียวย่อมเป็นที่รักของสัตว์ทั้งหลายของเก่าแล้วเบื่อแลอ้วอยากเอาใหม่ๆแล้ว เพราะฉะนั้นเนื้อล่อตัวผู้ที่มุ่งหน้าต่อเนื้อป่านั้นนะเออเข้าไปเนื้อล่อตัวเมียก็มุ่งหน้าไปหาเนื้อเนื้อป่าตัวนั้นแหละแล้วก็ปายเข้าไปใกล้แล้วก็หันหลังให้ที่อยู่เนื้อล่อตัวผู้นะแล้วก็เนื้อล่อตัวผู้ก็ขิดด้วยกรีดที่เชือกคล้องไว้แล้วก็ให้หนีไปเนื้อป่าเห็นเนื้อล่อตัวผู้นั้นแล้วก็มัวแต่ใส่ใจกับเนื้อล่อตัวเมียเห็นในตัวผู้เดินจะมาขิดตัวก็ไม่สนใจ นะแสดงถึงความหึงหวงก็ยืนน้อมหลังสายหัวอยู่ขนาดนั้นแม้เลียหอกก็ไม่รู้ว่าอะไรอะไรนะเรียกว่ามัวเมาแล้วนะตัวเกือบตายแล้วก็ไม่รู้อะไรแนละ้วอันนั้นมัวแต่เพลิดเพลินเนี่ยนะฝ่ายเนื้อล่อตัวผู้ท่านเนื้อป่านั้นมีความสุขเพื่อจะขวิดเนื้อนั้นโดยส่วนบนก็จะน้อมหลังเมื่อเนื้อป่านั้นะ่ะมีความสุขเพื่อจะขวิดโดยส่วนข้างก็จะน้อมหัวใจขึ้นคือแม่อาเนื้อล่อตัวผู้นี้มันก็แกล่ จริงๆเลยนะแม้จะขีดหัวแล้วเอาเชิญเนี่ยนะที่ว่าน้อมให้เขาแบบอ๊เหมือนกับว่ายอมแพ้เขาไปทุกอย่างอนะเหมือนกับยอมให้เนื้อป่าเนี่ยซ้อมตัวทุกอย่างเลยในที่สุดนายพรานก็ถือเอาหอกมาแทงเนื้อป่าข่าไปเสร็จแล้วก็ชาแหละเป็นชิ้นกลายเป็นเนื้อเนื้อแดดเดียวบ้างเนื้อปิ้งมั่งเนื้อต้มมั่งต้มยำเนื้อมั่งแกงเนื้อป่ามั่งอะไรมั่งก็ว่ากันไปเสร็จแล้วในที่สุดก็ถูกปิ้งด้วยประการชนิดเนื้อตัวนั้นมัวแต่มัวเมากับเนื้อล่อตัวเมีย คืออวิชาเนี่ยทำความหึงหวงในเนื้อล่อตัวผู้คือตันหาแม่เลียหอกอยู่ก็ไม่รู้ฉันใดสัตว์เหล่านี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันันนะไม่ได้ว่าใครที่ไหนหรอกเนี น, นะ เพราะฉะนั้นก no um, ็กลายเป็นผู้มัวเมามืดมนอยู่ด้วยอวิชชาเมื่อไม่รู้อะไรอาศัยอยู่ในความกำหนัดด้วยความเพลิดเพลินในอารมณ์ทั้งหลายมีรูปเป็นต้นเพลินไปในรูปในเสียงในกลิ่นในรสถูกฆ่าด้วยหอกคือวัตถุทุกเนี่ยนะหมายก็ว่าท่องเที่ยวเพลิดเพลินในรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภพจนหมดเวลาชีวิตอย่างนั้นนะเพลิดเพลินไปในรูปเสียงกลิ่นรสจนหมดเวลาชีวิตก็ตกไปใน วัฏฏะทุกร้อนเดือดร้อนอวิชชาปกปิดตันหาพาเพลินไปจนเสิ้นไปพบแล้วพบหนึ่งชาติแล้วชาติเล่าเนี่ยก็กลายไปเป็นอย่างนี้เข้าตรงกันข้ามถ้าฝ่ายบุรุษผู้หวังดีหมายถึงพระพุทธเจ้านะนะพระพุทธเจ้าคือบุรุษผู้หวังดีปรารถนาประโยชน์เกื้อกูลปรารถนาความปลอดภัยแก่หมู่สัตว์ทั้งหลายอันนี้หมายเอาตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนทางที่เกษม ปลอดภัยสะดวกที่เป็นไปได้ตามใจชอบเป็นชื่อของทางอันประกอบด้วยองค์8ประการก็คือการปฏิบัติตามอริยมรักอันประกอบไปด้วยองค์8ประการนั่นแหละซึ่งเป็นทางถูกที่แท้จริงไม่มีผิดมีพลาดเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานทางนั้นก็คือสัมมาพิธิรู้อริยสัจสัมมาสังกัปปะกุศลสังกัปปะสา ส, สัมมาวาจาเวน้นจากวาจีทุจริตสสัมมากรรมมันตะเวน้นจาก กายทุจริตสามสัมมาอาชีวะเว้นจากทุจริตทั้งเจ็ดสัมมาวายามะเนี่ยนะก็สัมมาประธานสสัมมาสติสติประธาน 4, สีมม่สัมมาสมาธิคือเป็นไปกับฌานสี่เพราะฉะนั้นอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ดนี่แหละเนี่ยนะที่เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานท่านบอกว่าทางอันประกอบไปด้วยองค์8ดคือทางกเกษมเป็นทางประเสริฐที่เป็นทางที่พระองค์เองก็บรรลุโพธิญาณ ด้วยการปฏิบัติตามทางคืออริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8ดขณะเดียวกันพระองค์ก็สอนเปิดเผยให้สัตว์ทั้งหลายปฏิบัติข้อปฏิบัติเพื่อประโยชน์เพื่อกูลตามอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดเนี่ยนะหลังจากที่พระองค์ตรัสรู้แล้วพระองค์ก็ไม่ได้ น, นั่งนิ่งนิ่งนอนใจแต่ว่าประกาศพระธรรมจักรด้วยกา ร, ระเกิดข้ อ, อการประกาศข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งตรัสรู้ให้แก่สัตว์ทั้งหลายด้วยการสอน อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8มีหมู่สัตว์ที่ปลอดภัยตามที่พระองค์สอนเช่นพระอัญญาโกลธัญญาวัปปัพติย a มหานาม m a m a h a s เนี่ยนะพระยาศาพร้อมทั้งสหายพัทธวัคคีหรือว่าชดินสามพี่น้องพระเจ้าพิมพิสารพร้อมทั้งบริสัทธ์นะพร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายตั้งแต่อดีตจบจนปัจจุบันอันหาประมาณมิได้เพราะพระองค์เปิดทางคืออริยมรรคอันประกอบไ ป, ปด้วยองค์8เอาไว้ให้แล้ว บทสรุปของสูตรนี้ข้อ255องค์ตรัสว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายด้วยอาการดังที่กล่าวมาแล้วนี้นนด้วยอาการดังกล่าวกล่าวอะไรรู้ว่าอะไรเป็นมิจฉามักอะไรเป็นสัมมามักใครเป็นมารใครเป็นผู้หวังความกเกษมปลอดภัยรู้ดีรู้ชั่วรู้ว่าภาษาสดาคือใครถ้ามาร น, นี่เป็นอย่างไรข้อปฏิบัติของมารเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรและคําสอนของพระองค์เป็นอย่างไรเพราะฉะนั้น ทางอันปลอดภัยซึ่งเป็นทางสวัสดีคืออรารยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8นี่แหละเป็นทางปลอดภัยซึ่งเป็นทางสวัสดีมีชัยเนี่ยนะเป็นทางที่พวกเธอทั้งหลายควรเข้าไปด้วยความปราบปลื้มใจไปด้วยความปีติปราโมททางอันนั้นเราก็เปิดเผยให้แล้วแม้ถ้าไม่พระพุทธเจ้าไม่บอกไม่รู้จะเจริญยังไงเมื่อกันนะทาง ไม่รู้ว่าสัมมาทิฏฐิจะเจริญยังไงก็ไม่เข้าใจสัมมาสังกปะสัมมาวาจาเนี่ยไม่รู้จะไปทางไหนก็นไม่ทราบเพราะฉะนั้นทางปลอดภัยเป็นทางสุขเกษมทางสวัสดีทางปลอดภัยทางแห่งพระนิพพานเน่ที่ปฏิบัติไปแล้วเป็นไปด้วยความปราบปลื้มใจพระองค์บอกว่าเราเปิดเผยให้แล้วปิดทางที่ไม่สะดวกให้ด้วย ทางคือมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวาจาเป็นต้นอ่ะพระองค์ก็ปิดให้แล้วตันหาคือเนื้อต่อก็ได้กําจัดให้แล้วนางเนื้อต่อคืออวิชชาก็สังหารให้เสร็จแล้วดูก่อนพิสูจนทั้งหลายกิจอันใดที่ศาสดาผู้สแสวงหาประโยชน์เพื่อกูลเพื่ออนุเคราะห์นี่นะแกเหล่าสาวกจะเพึ่งทํากิจอันนั้นเรากระทําแก่เธอทั้งหลายแล้วคือหน้าที่ของพระพุทธเจ้าเหล่าใดที่ต้องทําอ่ะนะ พระองค์บอกว่าพระองค์ทำเสร็จแล้วดูก่อนพิสูุทั้งหลายนั่นโคลนไม้นั่นเรือนว่างเธอทั้งหลายจงเพ่งพินิษเพ่งพินิษก็คือไปเจริญสมถาวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นวิปัสสนาสัมมาวาจาเป็นต้นเป็นสมถะทั้งหลายเพราะฉะนั้นเธอจงเพ่งด้วยสมถาวิปัสสนาคือเจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ปดยาประมาท อย่าประมาทเพิ่มพูนกุศลธรรมเหล่านี้ที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วให้ภัยบูนบริบูรณ์แล้วก็ต่อเนื่องต่อต่อไปอย่าได้เป็นผู้มีความเดือดร้อนในภายหลังเลยอย่าเสียใจเลยเนี่ยนะบอกโอ้ยทำอะไรอยู่จนอายุปัจนนี้แล้วเนี่ยนะพระชาติต่อไปบอกทํรรราอะไรอยู่เนี่ยพระพุทธเจ้าพระสมมา ค, คดมกพุิธิพ้าตอนนั้นเราทําอะไรอยู่เนาะก็เหมือนมานั่งบน่นว่าพระพุทธเจ้าองคอ์กรกรตาสรู้เยอะแยะหมดระทําอะไรอยู่ ก็ทําคล้ายๆที่ทําอยู่นี่แหละเนี่ยนะมันก็เดี๋ยวก็เสียใจเดี๋ยวร้อนใจในภายหลังเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เตือนว่าอย่าต้องลําบากใจในภายหลังเลยอย่าไปโอดควรในภายหลังเลยมีใครคอยฟังหรอกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์ตรัสพระพุทธพจน์นี้จบแล้วภิกษุเหล่านั้นก็มีใจชื่นชมยินดีภาสิดของพระผู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้านะซึ่งพระพิสูจน์เหล่านั้นก็ชื่นชมและอนุโมทนาในคําสอนของพระพุทธเจ้า มันก็ด้วยบุญกุศลคุณงามความดีเหล่าใดที่เราได้ฟังทเวทาวิต ก, กสูตรเป็นพระสูตรที่พระองค์ยกถึงข้อปฏิบัติของพระองค์โดยการแยกวิตกออกเป็นสองส่วนทั้งที่เป็นอกุศลวิตกและกุศลวิตกว่าอากุศลวิตกทั้งหลายมีพิษมีภัยมีทุกข์มีโทษเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นทําลายปัญญาเป็นไปเพื่อความคับแคนอันันไม่ได้เป็นไปเพื่อ น, นิพพานอย่างใดพระองค์ก็แสดงแสดงสัมมาสังกัปปะ เนคขม่าสังกปะอภยาบาสังกปะอวิหิงสาสังกปะตลอดจนพระองค์เนี่ยไม่เห็นพิษภัยทุกโทษจากสัมมาสังกปะเหล่านี้เลยแล้วก็พระองค์อาศัยกุศลสังกปะที่เป็นไปทั้งสมถะและวิปัสนาหลังจากนั้นพระองค์ก็เจริญปฐมฌานทุติยฌาน ต, าตานัติยฌานจตุทฌานทั้งรูปฌานและอรูปฌานเสร็จแล้วพระองค์ก็ระลึกชาติก่อนเป็นอันมากรู้สัตว์เกิดสัตว์ตายพิจารณาอริยสัตว์จนได้ตรัสรู้เป็น พระพุทธเจ้าเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็เปิดทางที่สุขเกษมปลอดภัยให้เปิดเผยทางอันประกอบไปด้วยองค์8ดที่เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อพระนิพพานเนี่ยนะเพราะฉะนั้นหนทางเหล่าใดที่พระพุทธเจ้าเปิดเผยให้แก่เราขอให้เราได้ทั้งหลายได้เดินตามหนทางอันนั้นทางใดที่พระพุทธเจ้าปิดไว้แล้วก็อย่าไปรือ้อเนี่ยนะอย่าไปรือ้อแล้วก็เดินตามมิจฉามรรคอันนั้นขอให้สมาทานประพฤติตามอริยมรรคที่พระองค์ประกาศ แล้วก็ตรัสรู้ตามที่พระองค์ประสงค์ทุกประการช่วงนี้ก็ใช้เวลาเท่านี้ก่อน